ทีนี้ก็มาถึงข้อสำคัญที่ว่าเหตุใดถึงตรัสแสดงคุณสมบัติของผู้สอนโดยทรงใช้หลักภาวิศีแต่ทรงแสดงหลักธรรมที่สอนหรือตัวระบบการศึกษาโดยใช้หลักศิกษาสามแยกต่างกันเป็นสองชุดข้อสงสัยนี้ตอบง่ายๆสั้นๆว่าเรามีความมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ต่างกันคือด้านคุณสมบัติของผู้สอนนั้น มุ่งแจกแจงคุณสมบัติของบุคคลผู้สอนที่แสดงตัวปรากฏออกมาทำนองวัดผลว่าเขาได้ศึกษาแล้วและพร้อมที่จะสอนผู้อื่นได้หรือไม่แต่ด้านหลักการสอนหรือตัวหลักการศึกษามุ่งแสดงระบบการศึกษาและสิ่งที่จะศึกษาว่าจะต้องเรียนอะไรและเรียนอย่างไรจึงจะได้ผลที่ต้องการเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษาที่แท้จริงนั้น เป็นกระบวนการพัฒนาชีวิตซึ่งเป็นระบบของธรรมชาติที่เป็นไปตามกฎธรรมชาติจึงต้องจัดให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามกระบวนการของเหตุปัใจจัยในธรรมชาติดูที่หลักการศึกษาหรือหลักธรรมที่จะสอนคือสิกขาสามก่อนทำไมจึงต้องมีสามข้อเท่านั้นเป็นชุด3าคือรายสิกขา ตอบสั้นๆอีกนั่นแหละว่าเพราะเป็นเรื่องของชีวิตคนซึ่งมีแค่สามด้านหรือสามแดนเป็นองค์ประกอบหรือองค์ร่วมสามอย่างที่รวมกันเป็นชีวิตซึ่งผ่ากันดำเนินเดินหน้าพัฒนาไปด้วยกันชีวิตสามด้านของคนเรานี้ที่พัฒนาไปด้วยกันมีอะไรบ้างก็แยกเป็นหนึ่งด้านสื่อกับโลก ได้แก่การรับรู้ติดต่อสื่อสารสัมพันธ์พฤติกรรมความประพฤติและการแสดงออกต่อหรือกับเพื่อนมนุษย์และสิ่งแวดล้อมอื่นๆผ่านทวารคือช่องทางหรือประตูสองชุดคือภัษาทวารทางรับรู้คือตาหูจมูกลิ้นกายรวมทั้งชุมทางคือใจเป็นหกและกรร ม, มทวารทางทำกรรมคือกายวาจา รวมชุมทางคือใจด้วยเป็นสามด้านนี้พูดง่ายๆว่าแดนหรือด้านที่สื่อกับโลกเรียกสั้นๆคำเดียวว่าศีลสำหรับผัสสะทวารหก น, นี้ตามปกติเรียกชื่อตามหน้าที่หรือคุณค่าในการใช้งานว่าอายตนะหกแต่ในเวลาทำหน้าที่ออกทำงานนิยมเรียกว่าอินทรีหก 2. ด้านจิตใจได้แก่การทำงานของจิตใจซึ่งมีองค์ประกอบและคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องมากมายเริ่มแต่ต้องมีเจตนาหรือเจตจำนงความจงใจตั้งใจมีแรงจูงใจอย่างใดอย่างหนึ่งมีความดีความชั่วความสามารถหรือความอ่อนด้อยพร้อมทั้งความรู้สึกสุขทุกข์สบายไม่สบายหรือเฉยเยเพลิน และปฏิกริยาต่อจากสุขทุกนั้นเช่นชอบใจหรือไม่ชอบใจอยากจะได้อยากจะเอาหรืออยากจะหนีหรืออยากจะทำลายทีกควบคุมชักนำการรับรู้และพฤติกรรมทั้งหลายเช่นว่าจะให้ดูอะไรหรือไม่ดูอะไรจะพูดอะไรจะพูดกับใครว่ายอย่างไรด้านนี้เรซันสั้นว่าจิตหรือแดนของสมาธิ 3. ด้านปัญญาได้แก่ความรู้ความเข้าใจตั้งแต่สุตตะคือความรู้ที่ได้เรียนสดับหรือข่าวสารข้อมูลจนถึงการพัฒนาทุกอย่างในจินตาวิสัยในญาณวิสัยเช่นแนวคิดทิฏฐิความเชื่อถือทัศนคติค่านิยมความยึดถือตามความรู้ความคิดความเข้าใจ มุมในการมองในการพิจารณาอย่างใดอย่างหนึ่งด้านนี้เรียกสั้นๆตรงๆว่าปัญญาองค์ประกอบของชีวิตสด้านนี้ทำงานไปด้วยกันประสานกันไปและเป็นเหตุปัจจัยแก่กันไม่แยกต่างหากจากกันขออธิบายเพียงสั้นๆพอให้เห็นเป็นแนว การสัมพันธ์กับโลกด้วยอินทรีย์หรือภาษาทวารและด้วยพฤติกรรมทางกายวาจาซึ่งเป็นด้านที่หนึ่งจะเป็นไปอย่างไรก็ขึ้นต่อเจตนาขึ้นต่อสภาพความรู้สึกภาวะและคุณสมบัติต่างๆของจิตใจซึ่งเป็นด้านที่สองและทั้งหมดนั้นทำได้เท่าที่ปัญญาชี้ช่องสองทางให้รู้แค่ไหนก็คิดและทำได้แค่นั้น คือภายในขอบเขตของปัญญาซึ่งเป็นด้านที่สามความตั้งใจและความต้องการเป็นต้นของจิตใจซึ่งเป็นด้านที่สองต้องอาศัยการสื่อทางอินทรีย์และพฤติกรรมกายวาจาเป็นเครื่องสนองซึ่งเป็นด้านที่หนึ่งต้องถูกกำหนดและจำกัดขอบเขตตลอดจนปรับเปลี่ยนโดยความเชื่อถือความคิดเห็นและความรู้ความเข้าใจที่มีอยู่ และที่เพิ่มหรือเปลี่ยนไปซึ่งเป็นด้านที่สามปัญญาจะทํางานและจะพัฒนาได้ดีหรือไม่ซึ่งเป็นด้านที่สามนั้นต้องอาศัยอินทรีย์เช่นดูฟังอาศัยกายเคลื่อนไหวเช่นเดินไปจับจัดค้นและอื่นๆใช้วาจาสื่อสารถ่ยถามตามทักษะเท่าที่มีซึ่งเป็นด้านที่หนึ่ง ต้องอาศัยภาวะและคุณสมบัติของจิตใจเช่นความสนใจฝ่ายใจความมีใจเข้มแข็งสู้ปัญหาความขยันอดทนความรอบคอบมีสติความมีใจสงบแน่วแน่มีสมาธิหรือไม่เพียงใดเป็นต้นซึ่งเป็นด้านที่สองนี่คือการดำเนินไปของชีวิตที่องค์ประกอบสด้านทํางานไปด้วยกันอาศัยกันประสานกันเป็นปัจจัยแก่กัน ซึ่งเป็นความจริงของชีวิตนั้นตามธรรมดาของมันเป็นเรื่องของธรรมชาติและจึงเป็นเหตุผลที่บอกอยู่ในตัวว่าทาไมจะต้องแยกชีวิตหรือการดำเนินชีวิตเป็นสามด้านจะแบ่งมากหรือน้อยกว่านี้ไม่ได้เมื่อชีวิตที่ดาเนินไปมีสามด้านอย่างนี้การศึกษาที่ฝึกคนให้ดาเนินชีวิตได้ดี ก็ต้องฝึกฝนพัฒ น, ฒนาที่สามด้านของชีวิตนั้นดังนั้นการฝึกหรือศึกษาคือสิกขาจึงแยกเป็นสามส่วนดังที่เรียกว่าตรายศิกขาเพื่อฝึกฝนพัฒนาสามด้านของชีวิตนั้นให้ตรงให้ครบตามธรรมดาแห่งธรรมชาติของมันโดยเป็นการพัฒนาพร้อมไปด้วยกันอย่างประสานเป็นระบบสัมพันธ์อันหนึ่งอันเดียวเวลาดูอย่างกว้างๆหยาบหย ก็จะมองเห็นเหมือนอย่างที่บางทีท่านพูดแยกออกเป็นขั้นตอนใหญ่ๆว่าขั้นศีลขั้นสมาธิและขั้นปัญญาเหมือนจะให้ฝึกอบรมพัฒนาเป็นคนละส่วนคนละตอนทีละขั้นตามลำดับคือฝึกอบรมศีลดีแล้วจึงเจริญสมาธิแล้วจึงพัฒนาปัญญาเมื่อมองตรายสิกขาแบบนี้ก็จะเห็นเป็นภาพรวมที่เป็นระบบใหญ่ของการฝึก ซึ่งมีองค์สามนั้นเด่นขึ้นมาทีละอย่างจากหยาบล้วละเอียดประณีตขึ้นไปเป็นช่วงๆหรือเป็นขั้นๆตามลําดับคือช่วงแรกเด่นออกมาข้างนอกที่อินทรีย์คือผัสสะทวารและกายวาจาก็เป็นขั้นศีลช่วงที่สองเด่นด้านภายในที่จิตใจก็เป็นขั้นสมาธิช่วงที่สาม เด่นที่ความรู้ความคิดเข้าใจก็เป็นขั้นปัญญาแต่ในทุกขั้นนั่นเององค์อีกสองอย่างก็ทำงานร่วมอยู่ด้วยโดยตลอดเป็นอันวา่านั่นคือการมองแบบภาพรวมจับเอางานส่วนที่เด่นในขั้นนั้นขึ้นมาเน้นทีละอย่างทีละอย่างข ย, งยบสูงขึ้นไปในการฝึกอบรมพัฒนาตามลําดับเพื่อให้ส่วนที่ยากกว่าพร้อมที่จะรองรับเป็นฐานให้แก่การเจริญงอกงาม หรือทำงานออกผลของส่วนที่ปราณีตละเอียดอ่อนเหมือนที่พูดว่าอ้อจะตัดต้นไม้ต้นนี้เหรอก็หนึ่งต้องจัดบริเวณทำพื้นที่เหยียบยันให้สะดวกขยับเ ข, ขยื้อนเคลื่อนไหวได้คล่องปลอดภัยและหนาแน่นมั่นคงซึ่งถือเป็นศีลบวกสองต้องเตรียมกำลังให้แข็งแรงใจสู้เอาจริงจับมีดหรือขวานให้ถนัดมั่น มีสติดีใจมุ่งแน่วไม่วอกแวกซึ่งถือเป็นสมาธิแล้วก็สต้องมีอุปกรณ์คือมีดหรือขวานที่ใช้ตัดที่ได้ขนาดมีคุณภาพดีและลับไว้คมกริบซึ่งถือเป็นด้านปัญญาจึงจะสำเร็จผลคือตัดไม้ได้สาเร็จสมปรารถนา ในชีวิตที่เป็นอยู่ดำเนินไปอยู่ตลอดเวลานี้เมื่อวิเคราะห์ละเอียดลงไปก็จะเห็นว่าองค์ประกอบทั้งสามด้านของชีวิตทำงานประสานสัมพันธ์เป็นเหตุปัจจัยเกื้อกูลหนุนเสริมกันและกันอยู่ทุกเมื่อทุกเวลาดังจะเห็นว่าในการศึกษาเมื่อจะให้คนพัฒนาฝึกตนได้ผลจริงก็ควรให้เขาฝึกด้วยความะหนักรู้องค์ประกอบทั้งสด้านนั้นที่จะให้พัฒนาพร้อมไปด้วยกัน โดยเอาโยนิโสมณศิการมโยงให้เกิดความตระหนักรู้และมีสติที่จะช่วยให้การฝึกฝนพัฒนาได้ผลสมบูรณ์ตามที่มันควรจะเป็นพูดในเชิงปฏิบัติว่าในการกระทำทุกครั้งทุกอย่างไม่ว่าจะแสดงพฤติกรรมอะไรหรือมีกิจกรรมใดๆก็ตามเราสามารถฝึกฝนพัฒนาตนและสำรวจตรวจสอบตนเองตามหลักไตรสิกานี้ให้มีการศึกษาครบทั้งสามอย่าง ทั้งศีลสมาธิและปัญญาพร้อมกันไปทุกครั้งทุกคราวคือเมื่อทำอะไรก็พิจารณาดูว่าพฤติกรรมหรือการกระทำของเราครั้งนี้จะเป็นการเบียดเบียนทำให้เกิดความเดือดร้อนแก่ใครหรือไม่จะก่อให้เกิดความเสื่อมโทมเสียหายอะไรอะไรบ้างไหมหรือว่าเป็นไปเพื่อความเกื้อกูลช่วยเหลือส่งเสริมและสร้างสรรค์ซึ่งถือเป็นด้านของศีล ในเวลาที่จะทำการนี้จิตใจของเราเป็นอย่างไรเราทำด้วยจิตใจที่เห็นแก่ตัวมุ่งร้ายต่อใครทําด้วยความโลภโกรธหลงหรือไม่หรือทําด้วยเมตตามีความปรารถนาดีทําด้วยศรัทธาทําด้วยสติมีความเพียรมีความรับผิด ช, ชอบเป็นต้นและในขณะที่ทาสภาพจิตใจของเราเป็นอย่างไรเราร้อนกระวนกระวายขุนมัวเศร้าหมอง หรือว่ามีจิตใจที่สงบร่าเริงเบิกบานเป็นสุขเอิบอิ่มพองใสซึ่งถือเป็นด้านของสมาธิเรื่องที่ทำครั้งนี้เราทำด้วยความรู้ความเข้าใจชัดเจนดีแล้วหรือไม่เรามองเห็นเหตุผลรู้เข้าใจหลักเกณฑ์และความมุ่งหมายมองเห็นผลดีผลเสียที่อาจจะเกิดขึ้นและหนทางแก้ไขปรับปรุงพร้อมดีแล้วหรือไม่ซึ่งเป็นด้านของปัญญา ด้วยวิธีปฏิบัติอย่างนี้คนที่ฉลาด จ, จึงสามารถฝึกศึกษาพัฒนาตนและสำรวจตรวจสอบวัดผลการพัฒนาตนได้เสมอตลอดทุกครั้งทุกเวลาเป็นการบำเพ็ญตรายสิกขาในระดับรอบเล็กคือครบสิกขาทั้งสามในพฤติกรรมเดียวหรือกิจกรรมเดียวพร้อมกันนั้นการศึกษาของตรายสิกขาในระดับขั้นตอนใหญ่ก็ค่อยๆพัฒนาขึ้นไปทีละส่วนอย่างเป็นไปเองด้วย ซึ่งเมื่อมองดูภายนอกก็เหมือนศึกษาไปตามลำดับทีละอย่างทีละขั้นโดยที่ในเวลาเดียวกันนั้นรายสิกขาในระดับรอบเล็กนี้ก็จะช่วยให้การฝึกศึกษารายสิกขาในระดับขั้นตอนใหญ่ยิ่งก้าวหน้าไปด้วยดีมากขึ้นผู้ที่ศึกษาลึกลงไปในรายละเอียดของการปฏิบัติก็จะรู้ถึงหลักความจริงที่ว่าในขณะแห่งการตรัสรู้ หรือในขณะบรรลุมรรคผลนิพพานนั้นองค์มรรคทั้งหมดที่จัดเป็นกลุ่มคือศีลสมาธิและปัญญานี้จะพัฒนาบริบูรณ์และทำงานพร้อมเป็นหนึ่งเดียวกันในการกำจัดกิเลสและให้สำเร็จผลแต่จะไม่อธิบายรายละเอียดในที่นี้ที่พูดมานี้คือสิกขาหรือการศึกษาซึ่งเป็นระบบการพัฒนาชีวิตของมนุษย์ ตามเงื่อนไขแห่งความจริงของธรรมชาติเป็นไปตามระบบความสัมพันธ์แห่งเหตุปัจจัยตามกฎธรรมดาของธรรมชาตินั้นซึ่งชีวิตเป็นองค์รวมที่มีองค์ประกอบหรือองค์ร่วมสามอย่างคือศีลจิตและปัญญาซึ่งทำงานประสานเป็นเหตุปัจจัยแก่กันในการที่ชีวิตนั้นดำเนิอนอยู่หรือพัฒนายิ่งขึ้นไปดังที่เรียกว่าหลักไตรสิกขา